การฟังเทศฟังธรรมจะทำให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้ กำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้จะทำให้เกิดมีสัมมาดิธิมีปัญญาความรู้ความฉลาดและจะทำให้จิตผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดจากการ ฟังเทศฟังธรรมการที่จะฟังให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ผู้ฟังจำต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้ากายวาจาใจไม่สงบประโยชน์ที่จะเพึงจะได้รับก็จะ ไม่ได้รับอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพื่อประโยชน์อันสูงสุดกายก็คือร่างกายไม่ควรจะทําอะไรควรจะนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดคุยกัน ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมถ้ามีกายวาจาที่สงบเราก็เรียกว่าศรรีลใจก็ต้องสงบใจต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจต้องตั้งอยู่กับการฟังอย่างเดียวรู้กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสผ่านทางร่างกายแล้วก็เข้าไปสู่ในใจ อาใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำที่มาสัมผัสก็จะไม่เข้าไปในใจจะเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปฟังแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ากําลังฟังเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าฟังแบบกายวาจาใจไม่สงบก็จะเป็นการฟังแบบทัพพีในหม้อแกงทัพเพียนี้อยู่ในหม้อแกงนานสักเพียงไรก็จะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงชนิดไหนเพราะแกงเพราะทับเพียนี้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้ได้ว่ารส ของแกงนั้นเป็นรสอะไรถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบก็จะฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้จะสัมผัสรับรู้รสของแกงได้อย่างทันทีเพียงหยดเดียวก็จะรู้ว่าเป็นแกงชนิดไหนผู้ฟังจึงควรฟังทำแบบริลิ้นกับแกง อย่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงฟังไปเป็นร้อยร้อยครั้งฟังไปเป็นร้อยร้อยปีฟังไปก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแบบแบบลิ้นกับแกงนี่ฟัง ทีไรก็จะได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดผลต่างๆอันประเสริฐตามมาต่อไปดังนั้นการฟังธรรมจึงควรฟังแบบวิ้นกับแกงฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วจะได้ยินได้ฟัง เรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอย่างชัดเจนเช่นวันนี้เรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือเรื่องของการมาเกิดของพวกเราว่าพวกเรานี้มาเกิดกันได้อย่างไรเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อทำอะไรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ ไม่รู้กันไม่รู้คำตอบกันเกิดมาได้อย่างไรก็ไม่รู้ว่ามาเกิดได้อย่างไรเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรเพราะเท่าที่เห็นอยู่การกระทาต่างๆที่ทำกันนี้ทำไปแล้วเดี๋ยวพอตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ทำมาได้ก็หายไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย มาเกิดพอเกิดแล้วก็มาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอตายไปของที่หามาทั้งหมดนี้ก็เอาไปไม่ได้เลยก็เลยบางทีก็ต้องถามว่ามาเกิดทำไมส่วนมาเกิดอย่างไรก็ไม่มีใครรู้เหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันนี้ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเราจะไม่รู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรอะไรทำให้พวกเรามาเกิดกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันก็คือกิเลสตัณหานี่เองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ตันหาคือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหากิเลสตันหานี้เป็นตัวเดียวกันค่ากิเลสก็ได้ค่าตันหาก็ได้เพียงแต่ท่านตั้งชื่อต่างกันไปแต่มันเป็นตัวเดียวกันตัวที่ทำให้พวกเรามาเกิดแก่เจ็บตายกันการมาเกิดจึงไม่ดีเพราะการมาเกิดเป็นความทุกข์ ทุกเพราะว่าต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีใครบอกว่าเวลาแก่นี้มีความสุขเหลือเกินไม่มีใครบอกว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีความสุขเหลือเกินไม่มีใครบอกว่าเวลาตายนี้มีความสุขเหลือเกินมีแต่บ่นว่าทุกข์เหลือเกินดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าการมาเกิด นี้ก็เพื่อมาหยุดการมาเกิดใหม่นั่นเองเพราะการเกิดนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกรอบไปกลับมาเกิดกี่ครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งไปต้องมาทุกข์กันทุกครั้งไปการเกิดจึงไม่ดีการเกิดเป็นทุกข์ หน้าที่ของการมาเกิดก็คือเมื่อมาเกิดแล้วก็คือต้องมาหยุดการกลับมาเกิดใหม่การจะหยุดการกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปหยุดที่ต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดต้นเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดก็คือกิเลสตัณหาของพวกเรานี่เองคือความโลภความโกรธความหลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันเมื่อเรามาเกิดแล้วถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือต้นเหตุเราก็จะไม่ไปทำลายต้นเหตุของการมาเกิดเรากลับไปส่งเสริมต้นเหตุของการมาเกิด เพราะว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ทําตามความอยากที่พาให้เรามาเกิดกันความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพอเราเกิดพอเรามีร่างกายเราก็ไปทําตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไปหาลาบยศสรรเสริญกันอันนี้เป็นการทําตามความอยากทาตามความโลภกันที่เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเมื่อเราทําตามความโลภความอยากก็เท่ากับการส่งเสริมความโลภความอยากให้มีกำลังมากขึ้นให้เจริญเติบโตมากขึ้นไปก็จะทําให้เรากลับมาเกิดเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ได้ถูกกาจัดแต่ถูกส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นพอร่างกายนี้ตายไปเราก็เลยมาหาร่างกายอันใหม่กันมาทาตามความอยากกันใหม่กันเราทำกันอย่างนี้มากันอย่างโชคชนมากันอย่างเป็นเวลาอันยาวนาน ภพชาติที่พวกเราได้มาเกิดกันนี้นับเป็นหลายล้านล้านชาติด้วยกันถ้าเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีน้ำตาของพวกเรานี้มันมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรเอนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราทำตามความอยากกัน ทำตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทำตามความอยากมีอยากเป็นทำความอยากไม่มีอยากไม่เป็นกันยิ่งพาให้เรากลับมาเกิดกันกลับมาร้องห่มร้องไห้กันมาทุกข์กันอยู่เดีย่่ยไม่มีวันสิ้นสุดเราจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเรา ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการมาเกิดของพวกเราว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรและเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อไป สิ่งที่เราควรจะทำเมื่อเรามาเกิดแล้วก็คือมาหยุดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันมาทำลายเหตุมาฆ่ากิเลสฆ่าตัณหากันการฆ่ากิเลสฆ่าตัณหานี้ไม่บาปเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กันนั่นเองถ้าเราทาลายกิเลสตัณหา ให้หมดไปจากใจได้ใจเราก็จะไม่มีเหตุที่จะเดึงให้กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพอาเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมานั่นเองนี่แหละคือว่าเกิดมาได้อย่างไร เกิดมาเพราะกิเลสตัณหาเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหยุดกิเลสตัณหาไม่ใช่เกิดมาเพื่อทําตามกิเลสตัณหาเพราะการทําตามกิเลสตัณหาเป็นการพาให้เราไปเกิดต่อไปเรื่อยๆการไม่กระทําตามกิเลสตัณหาเป็นการหยุดการไปเกิดเรื่อยๆ จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเมื่อไม่มีความแก่ความใจความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมมีต่อผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายอยู่เมื่อมีการแก่การเจ็บการตายมันก็มีความทุกข์ตามมานั่นเองเพราะไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายกันเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันจึงทุกข์ทรมานใจมากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิด ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่แต่แม้ว่าจะมาเกิดร่ำรวยเกิดด้วยความอยู่บนกองสุขกองเงินกองทองแต่ก็ยังต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับพวกที่มาเกิดเป็นขอทานยากไร ก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันการมาเกิดจังไม่ต่างกันไม่ว่าจะมาเกิดสูงหรือต่ำรวยหรือจนเกิดแล้วจะต้องเจอความทุกข์เหมือนกันคือเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่คือคำตอบที่พวกเราอาจจะอาจจะอยากรู้กัน ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรคำตอบก็คือเรามาเกิดเพราะความอยากของเรานี่เองมาเกิดเพราะความโลภของเรานี่เองเก็จากกิเลสตัณหาตัณหาก็คือกามตัณหากามแปลว่ากามกามคุณห้าประการเรียกว่ากามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เรียกว่ากา ม, ค, กากากามคุณ อันหาก็คือความอยากอยากเสกพการมคุณห้าอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ก็จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลินกายนั่นเองการจะมีตาหูจมูกลินกายได้ก็ต้องมีร่างกายต้องมีการเกิดนั่นเอง เราจึงกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆกลับมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ตอบสนองตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอพอมาเกิดแล้วก็เริ่มหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันเราจึงเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะว่าเป็นกามคุณเพราะมันให้ความสุขกับเราเราจึงเสบรูปเสียงกลิ่นรสกัน แต่ในขณะเดียวกันนอกจากมันจะให้ความสุขกับเราแล้วมันก็สามารถให้ความทุกข์กับเราได้เช่นเดียวกันเช่นเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเสพมันได้เวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพอันนี้ความสุขที่จะได้ก็ไม่มีสิ่งที่จะได้มาแทนก็คือความทุกข์ การทําตามความอยากเพราะพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าเป็นการทําเพื่อความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะว่าบางทีทําแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นพอไม่ได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาเรื่องการ การทำตามความอยากจึงไม่ได้เป็นการไปหาความทุกข์ไปหาความสุขเป็นการไปหาความทุกข์โดยมีความสุขนี้เป็นตัวล่อใจเท่านั้นเองแต่ผลสุดท้ายที่จะได้รับก็คือความทุกข์เพราะว่าในที่สุดรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องมีอะไรเป็นไปขึ้นมา ตาอาจจะไม่ดีหูอาจจะไม่ดีก็ได้ตาบอดหูหนวกนี่ก็จะไม่สามารถที่จะเสบรูปเสบเสียงได้คนเวลาตาบอดจึงไม่มีความสุขกันเวลาหูหนวกจึงไม่มีความสุขกันมีแต่ความทุกข์กันเพราะยังมีความอยากที่จะเสบรูปเสียงอยู่แต่ไม่สามารถเสบรูปเสียงได้ความอยากที่เสบรูปเสียงนี่แหละที่ทำให้ ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เพราะความมืดบอดหรือหูหนวกคนที่ไม่มีความอยากในรูปเสียงเวลาตาบอดก็จะไม่ทุกเวลาหูหนวกก็จะไม่ทุกพอไม่มีความอยากที่จะดูหรือจะฟังเมื่อไม่มีความอยากจะดูหรือจะฟังเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะไม่เดือดร้อนก็จะไม่ทุก แต่ถ้าอยากดูอยากฟังแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะเดือดร้อนขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาความทุกข์จึงเกิดจากความอยากความโลภนี่เองเกิดจากการวัตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเกิดจากภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นเกิดจากวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อยากไม่ตาบอดอยากไม่หูหนวกนี่เรียกว่าวิภาวะตันหาอยากให้ตาดีไปเรื่อยอยากให้หูดีไปเรื่อยเรียกว่าภาวะตันหาภาวะตันหากับวิภาวะตันหามันก็เป็นตัวเดียวกันอยู่ที่ว่าเรามองจากมุมไหนมองจากมุมกลับก็เป็นวิภวะตันหามองจากมุมตรงก็เป็นภาวะตันหา เช่นอยากให้ตาดีหูดีก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากมีตาที่ดีอยากมีหูที่ดีเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่ให้ตาบอดอยากไม่ให้หูหนวกอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่ให้ตาไม่ดีหูไม่ดีนั่นเองอยากให้ดี อยากให้ตาดีอยากให้หูดีมันก็เป็นเรื่องอันเดียวกันแต่เราสามารถมองได้สองมุมด้วยกันความอยากมีอยากเป็นด้วยความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่เวลาตาบอดก็อยากจะให้ไม่บอดอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเวลาหูหนวกก็อยากให้ไม่หูหนวกอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหา ก็อยากไม่ให้ตาบอดอยากไม่ให้หูหนวกเวลาตาดีหูดีก็อยากจะให้ตาดีไปนานๆานหูดีไปนานๆานอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาเพราะตัณหาความอยากทั้งสานี่แหละที่จะทำให้ใจของเรานี้จะต้องทุกข์แล้วก็ต้องหนีมันด้วยการไปทำตามความอยาก อยากรูปอยากเสียงอยากกิน่นอยากรถก็ต้องไปทำตามความอยากถ้าทำได้ดังใจอยากก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็ต้องเจอความทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีวันหนึ่งที่จะไม่สามารถทำตามความอยากได้งั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คือหยุดความอยากเหล่านี้จะดีกว่าหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพพะ หยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นปล่อยให้ตาหูจมูกนิ้นกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะดีก็เรื่องของมันมันจะไม่ดีก็เรื่องของมันเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ย่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้ ถ้ามันไม่ให้ไม่ดีไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของมันธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลต่อพระธรรมชาติของตาหูจมูกล่้นกายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมแต่ใจของพวกเรานี้อยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อม พอเราไปเจอความเสื่อมเราก็เลยทุกข์กันถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจอความเสื่อมเราก็เลิกไป เ, เลิกไปเสพ บ, บันเสียก็แล้วกันเลิกความอยากเหล่านี้เสียก็แล้วกันเลิกความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดทพเพเลิกความอยากให้ตาหูจมูกลิ้นกายดีเลิกความอยากไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดี เพราะเรารู้ว่ามันต้องมีดีและมีไม่ดีตามกันมาเพราะมันนี่คือธรรมชาติของตาหูจมูกลิ้นกายธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสที่จะต้องมีวันเกิดมีวันดับกันถ้าเราหยุดความอยากในกามตัณหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตรัณ เราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่ต้องใช้ร่างกายเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสผดทพะถ้าเราหยุดมันได้แต่ก่อนที่เราจะหยุดเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผดพทพะได้นี้เราต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราก่อน ถ้าเรายังไม่มีความสุขชนิดใหม่มาทดแทนความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสพทธะเราก็จะไม่สามารถเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทภะได้พระพระพุทธเจ้าเลยต้องมอบเครื่องมือให้พวกเรามาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่กันมีความสุขเอกรูปแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ที่พวกเราถ้าสร้างความสงบความสุขที่ได้จากความสงบของใจแล้วเราก็จะได้เลิกการหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสผดทพะได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขกันที่สร้างความสงบที่ใจกันเพื่อเราจะได้มีความสุขในรูปแบบใหม่เมื่อเรามีความสุขใหม่แล้ว ความสุขเก่าเราก็จะสามารถเลิกได้ถ้าเราเห็นว่ามันสู้ความสุขใหม่ไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าความสุขเก่านี้มันมีโทษมีทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขใหม่ความสุขใหม่นี้มีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ตามมามันก็จะทําให้เราสามารถเลิกการหาความสุขแบบเก่าได้เลิกหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัได้เลิกความอยากที่จะให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดีไปเรื่อยๆเลิกความอยากให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ดีได้คือเราก็จะเลิกกามตัณหาได้ภาวะตัณหาได้วิภาวะตัณหาได้ถ้าเรามีความสุข แบบใหม่ที่เรายังไม่มีกันในตอนนี้เราจึงต้องมาสร้างความสุขแบบใหม่กันความสุขแบบใหม่ก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็เกิดจากการใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ความสุขทั้งสองรูปแบบว่าความสุขแบบไหนดีกว่ากัน เรียกว่าปัญญาพอปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความสุขแบบใหม่คือความสงบนี้ดีกว่าความสุขแบบเก่าคือความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะใจก็จะได้เลือกความสุขที่ถูกถูกต้องได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเลิกความสุขที่มีความทุกข์ตามมาได้คือความสุขจาก รูปเสียงกิ่นลดพลทพะนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมากระทำกันมาปฏิบัติกันขั้นตอนแรกก็คือต้องมาศึกษามาฟังทำกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อไปเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อทำอะไรเกิดมาเพื่อหยุดความอยากต่างๆนี้เอง การจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องสร้างความสุขแบบใหม่ขึ้นมาความสุขแบบใหม่นี้เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญานี่คือหน้าที่ของพวกเราหรือว่าการมาเกิดของพวกเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อสร้างความสุขใหม่เพื่อเราจะได้เลิกหาความสุขแบบเก่า เพราะความสุขแบบเก่าทำให้เราติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะความสุขแบบเก่านี้ต้องใช้ร่างกายนั่นเองต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราถึงจะสามารถหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผดัพราได้แต่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่ แล้พอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่ก็จะต้องเจออย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราต้องมีร่างกายเพื่อเราจะได้มีความสุขกันแต่ตอนนี้เราได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนบอกให้พวกเรามาสร้างความสุขแบบใหม่กัน มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบกันมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิกันมาเจริญปัญญากันถ้าเรามาปฏิบัติได้ต่อไปเราก็จะมีความสุขแบบใหม่คือความสุขที่เกิดจากความสงบพอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะได้ ใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าสงสอนให้เราเปรียบเทียบดูระหว่างความสุขแบบเก่ากับความสุขแบบใหม่อย่างไหนจะดีกว่ากันความสุขแบบเก่านี้มีความทุกข์ตามมาเสมอความสุขแบบใหม่นี้ไม่มีความทุกข์ตามมาเลยเปรียบเหมือนกับกินปลาปลาที่มีก้างกับปลาที่ไม่มีก้างนี่จะเอาปลาแบบไหนสมัยนี้เขาช่วยอ่าท เอาเนื้อปลาออกจากก้างให้เราเราถึงมักจะซื้อปลาที่ไม่มีก้างกันเพราะกินแล้วมันไม่มีอะไรมาทิ่มแทงปากนั่นเองถ้ากินปลาที่มีก้างเผลอเข้าไปก็ถูกก้างทิ่มแทงปากเอาได้คนจึงเดี๋ยวนี้มักจะซื้อปลาแบบไม่มีก้างกันเพราะปลามีก้างกินลำบากพลาดไปก็เจ็บปากทันใดความสุขแบบใหม่ ก็เป็นเหมือนปลาที่ไม่มีก้างส่วนความสุขแบบกก่านี้เป็นปลาที่มีก้างเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นล้นี่ก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่ถาวรมีเกิดก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีได้ ตาหูจมูกเล่นกายที่เราใช้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็มีวันเสื่อมได้มีวันหมดได้พอสิ่งพอเจอความเสื่อมพอเจอการสิ้นสุดการหมดของรูปเสียงกลิ่นรสของตาหูจมูกเิ่นกายอะไรจะตามมาถ้าไม่ใช่ความทุกข์นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราได้สร้างความสุข ที่เกิดจากความสงบได้แล้วพอใจเราจะอยากกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจมาถามใจว่าจะเอาความสุขแบบไหนจะเอาความสุขที่มีทุกข์ตามมาหรือเอาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าจะเอาความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมาก็ต้องไม่ไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเท่า น, นั้นเอง ไม่อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือกลับไปนั่งสมาธิพันไปทำใจให้สงบเสียพอใจสงบความอยากก็หายไปแล้วต่อไปความอยากที่จะไปหาความสุขแบบเก่าก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากที่จะมปหาความสุขแบบเก่าแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจ วุ่นวายทำให้ใจสั่นอีกต่อไปสาเหตุที่เราบางทียังต้องกลับไปหาความสุขแบบเก่าอยู่เพราะว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันสัน่นแล้วถ้าเราไม่มีความสุขแบบใหม่เราก็ต้องกลับไปหาความสุขแบบเก่าพอเวลาเราได้ความสุขแบบเก่าใจเราก็จะหายสัน่นแต่จะหายสั่นชั่วคราวพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ใจก็จะเริ่มสั่นขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีทำให้ใจหายสันได้ด้วยการฝึกนั่งสม า, สมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสันเราก็มาทาให้มันสงบด้วยการจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจก็จะสงบแล้วก็จะหายสันได้ ต่อไปเวลาใจจะสั่นด้วยความอยากเราก็มาหยุดมันด้วยการเจริญสติดีกว่าการไปทำตามความอยากการทำตามความอยากก็ทำให้หายสั่นได้แต่หายสั่นแบบชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วใจก็จะสั่นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราใช้วิธีเจริญสติใช้สติเป็นตัวหยุดความสั่นของใจต่อไป ความอยากมันก็จะไม่โผล่กลับขึ้นมาเพราะมันไม่ได้รับตอบสนองความต้องการพออยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนี่พอใจหายสั่นแล้วความอยากมันก็จะหมดหมดอิทธิพลมันจะไม่สามารถมาทําให้ใจสั่นได้อีกต่อไปถึงแม้มันจะกลับมากี่ครั้งใจก็จะไม่สั่นกับความอยากอีกแล้วนี่คือ เรื่องของการมาเกิดว่ามาเกิดเพื่อทำอะไรเพื่อมาทำให้ใจไม่สัน่นเพื่อทำให้ใจสงบให้ใจมีความสุขตลอดเวลาเพื่อใจจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนทำให้ใจเราสงบได้ตลอดเวลาถ้าเรายังไม่สามารถกาจัด ความอยากต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกทานทุกครั้งเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเรายัางเรายัางต้องไปทําตามความอยากอยู่ก็แสดงว่าความอยากมันยังมีอํานาจที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแกมา่มาเจ็บมาตายได้ต่อไปแต่ถ้า เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราไม่ตอบสนองความอยากไม่ทำตามความอยากก็แสดงว่าความอยากมันหมดกำลังหมดอำนาจที่จะมาดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้อีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของการมาเกิดว่ามาเกิดทำไมมาเกิดเพื่อมาหยุดความอยากกัน พอความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนั่นเองเมื่อเรามาแก่มาแก่มาเจ็บมาตายเราก็มาทุกข์กันถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องไม่กลับมาเกิดการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากความโลภหยุดกิเลสตัณหานี่เองพอเราหยุดได้แล้วใจของเราก็จะสบาย จะมีแต่ความสุขไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปจะอยู่แบบแบบสบายอยู่แบบคนที่ไม่ต้องทามาหากินหาเงินหาทองอยู่แบบมหาเศษเรษฐีก็มีเงินทองอยู่ให้ใช้อยู่ไปได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของ ของเรื่องของที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่รู้ว่าเรามาเกิดทำไมกันเราจะรู้อยู่ว่าเราเกิดมาเพื่อทำตามความอยากกันเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไปหากันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผทพระเราก็ไปหากัน อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็ไปหากันอยากมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็ไปหากันเพราะว่าเวลาที่ได้มานั้นมันเป็นความสุขนั่นเองแต่ต่อมาสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้มันจะต้องมีการจากเราไปตอนนั้นแหะความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้นก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจ อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไม่เห็นโทษของการทำตามความอยากกันว่ามันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายกันในเบื้องต้นการทำตามความอยากนี้มันเป็นสุขอยากได้อะไรพอได้มาแล้วมันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอยากดูอยากฟังอะไรพอได้ดูได้ฟังแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมา แต่เวลาที่มันอยากแล้วมันไม่ได้นะสิตอนนั้นมันถึงจะรู้ว่ามันทุกข์ทั้งที่รู้ว่าทุกข์แต่ก็ไม่รู้จะทาไงก็มีแต่พยายามดิ้นรนไปให้ไปทำตามความอยากให้ได้วันนี้ทาไม่ได้พวงนี้ก็พยายามใหม่พยายามมันไปเรื่อยๆบางทีบางคนพยายามไปจนวันตายก็ไม่ได้ พอตายไปแล้วไม่ได้ก็กลับมาพยายามใหม่กลับมาใหม่ก็มาหารูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภ์ใหม่กลับมาหาราบยศสรรเสริญสุขใหม่กันก็จะดินลนตามความอยากไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะทุกข์จะยากจะลําบากอย่างไรก็จะต้องทําเพราะถ้าว่าไม่ได้ทําแล้วมันยิ่งทุกข์กว่าอยู่เฉย นละไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันทรมานใจมากสู้สู้ดิ้นลนหาสิ่งที่อยากได้ดีกว่าถึง แ, แม้ว่าจะไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไม่รู้สึกทรมานใจเท่ากับการที่ไม่ได้ดินน้นหนนแต่การดิ้นลนนมันก็เป็นความทุกข์ได้มาก็สุขเดียวเดียวแล้วเดียวก็ต้องอยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆ ความอยากนี้มันจึงไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปทำตามความอยากความอยากนี้มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆพ ร, ระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำในมหาสมุทรนี้แม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีฝัง่งแต่ความอยากนี้ถ้าปล่อยให้มันทำตามก็าปล่อยให้มันเป็นไปตามความอยากแล้วมันไม่มีขอบไม่มีฝัง่ง มันไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเราก็จะต้องทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยทุกข์กับความอยากได้พอทุกข์กับการแสวงหาทุกข์กับการดูแลรักษาสิ่งที่เราหามาได้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความสูญเสียเวลาที่สิ่งที่เราได้มาจากเราไปมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น ที่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเรากลับมองเห็นเป็นความสุขไปเสียหมดอยากได้อะไรก็คิดว่าเป็นความสุขกันอยากได้แฟนก็คิดว่าเป็นความสุขกันได้แล้วก็จะมีความสุขแต่ไม่มองต่อไปว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเวลาทะเลาะกันนี่ความสุขที่ได้จากแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ไปหรือเวลาแฟนจากเราไป แฟนไปมีแฟนใหม่มันก็ทาให้เราทุกข์อีกถ้าไม่ไปมีแฟนใหม่ก็ต้องแก่เจ็บตายจากกันไปวันใดวันหนึ่งพอต้องจากกันก็ต้องทุกข์กันอีกอยู่ดีนี่เรามองไม่เห็นความทุกข์กันเรามองเห็นแต่ความสุขกันยังเรียกว่าเรากำลังหลงกันคําว่าหลงแปลว่าอะไรคือการเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเอง เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราเราจึงหากันอย่างอย่างมากมายเพื่อที่เราจะได้มีความสุขกันยิ่งมีมากเราคิดว่ายิ่งมีความสุขมากแต่ความจริงมันไม่ได้ตรงกับความคิดของเรา ยิ่งมีมากกับยิ่งทุกมากเพราะมันจะต้องมีการสูญเสียมากนั่นเองได้มาสิบบาทก็เสียเพียงสิบบาทได้มาล้านบาทก็ต้องเสียล้านบาทเวลาเสียสิบบาทกับเวลาเสียล้านบาทนี่มันมีความทุกข์ต่างกันเสียสิบบาทนี่มันทุกน้อยกว่าการเสียล้านบาทแต่เรามองไม่เห็นกับเวลาที่เราต้องเสียกัน เราเห็นแต่เวลาที่เราได้กันเราเห็นว่าได้สิบบาทนี้สู้ได้ล้านบาทไม่ได้ได้ล้านบาทได้มีความสุขมากกว่าแต่เราไม่มองตอนที่เราต้องเสียตอนที่เราต้องตายจากโลกนี้ไปเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่เราก็ต้องเสียมันไปหมดเลยไม่มีอะไรที่เราจะไม่เสียเลยเพราะไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้ าะไม่มีอะไรเป็นของเรานี่คือความหลงความหลงมันหลอกให้เราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แหละสัพเพสังขาราอนิจจา สิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมานี้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลถะนี่มันไม่เที่ยงเป็นเป็นของชั่วคราวมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็มีวันหมดไปเจริญแล้วก็เสื่อมเกิดแล้วก็ดับแต่เรามองไม่เห็นเวลามันเสื่อมเวลามันดับเราเห็นแต่เวลามันเจริญเราก็เลยคิดว่ามันเที่ยงแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เพราะว่าเวลามันจากเราไปเวลามันหมดไปเราไม่เคยเห็นเวลามันจากเราไปเวลามันหมดไปเราจะเห็นแต่เวลาที่เราได้มันมาเท่านั้นเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นสุขเราก็คิดว่ามันเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดแต่พอถึงเวลาที่เราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ร่างกายอันนี้ก็ไม่เที่ยงร่างกายอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันแก่ทุกข์เพราะมันเจ็บทุกข์เพราะมันตายแต่เราก็มองไม่เห็นกันเวลาได้เวลามีการเกิดกันนี่ดีใจเลี้ยงเลี้ยงฉลองกันใหญ่เลี้ยงวันเกิดกันเราคิดว่าเกิดแล้วจะมีความสุขกันนั่นเองเกิดมาแล้วจะได้หาลาบยศสรรเสริญจะได้หาลูกเสียงเกล็ดลด จะได้หาความสุขในรูปแบบต่างๆกันได้แต่ไม่เห็นตอนที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปว่ามันจะไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆได้อีกต่อไปอันนี้คือเรื่องของความหลงความหลงทำให้เราเห็นเพียงครึ่งเดียวไม่เห็นสิ่งต่างๆอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่เห็นว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อม เมื่อมันเสือ่อมความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์แล้วมันก็จะต้องจากเราไปของที่เสื่อมไปมันก็หมดไปหรือเวลาเราตายไปเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆไปดังน้นของต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้เป็นของเราเลยนี่คือความหลงความหลงก็คือเห็นในเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราคือเห็นลาบยศรรสรรเสริญเห็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราแต่พอมันไม่เที่ยงขึ้นมามันไม่ได้เป็นของเราขึ้นมาความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปเราจึงต้องอาศัยการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่มีประสบ ป, ประการณ์อย่างพระพุทธเจ้า ที่เห็นทั้งสุขทั้งทุกข์เห็นทั้งการเจริญเห็นทั้งการเสือ่อมเห็นทั้งการที่เป็นของเราและไม่เป็นของเราท่านจึงสามารถสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเรานี้โชคดีเราไม่ต้องมานั่งค้นคว้าหาความจริงอันนี้กันเพราะค้นคว้ายัางไงก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ยอมมองกันนั่นเอง เราจะมองแต่ด้านเดียวมองแต่ด้านเจริญมองแต่ด้านของความสุขมองแต่ด้านที่เป็นของเราแต่พอเวลามันเสื่อมเวลามันทุกข์มันไม่เป็นของเรานี้เราไม่มองกันไม่ยอมมองกันเราจึงต้องอาศัยคนฉลาดคนที่กล้าหารอย่างพระพุทธเจ้าที่กล้ามองความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เพราะมันมีการเจริญและมีการเสื่อมมันเป็นทั้งของเราและไม่เป็นทั้งของเราเวลามันทุกข์เวลามันไม่ได้เป็นของเราเวลามันเสื่อมนี้เรามองไม่เห็นกันเราเลยไปอยากได้กันถ้าเราเห็นว่ามันต่อไปมันจะเสื่อมมันจะต้องเป็นความทุกข์มันจะไม่เป็นของเราเราก็จะไม่อยากไป ไม่ไม่อยากไปไปไปได้มันมาอันนี้แหละที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าได้มันมาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้มา น, นี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะทําให้เรานี่เลิกหาความสุขแบบเก่าได้ เลือกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเลือกหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลภะได้แต่ก่อนที่เราจะเลือกได้เราต้องมีความสุขแบบใหม่ก่อนคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจก่อนเราจึงจำเป็นต้องมารักษาศีลโดยเฉพาะศีลแปดเพื่อที่เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้สงบกันเพื่อความเพื่อสร้างความสุขในรูปแบบใหม่กัน พอเราได้ความสุขในรูปแบบใหม่แล้วเราก็เอาปัญญาที่พระเจ้าทรงทรงตรัสรู้นี่มาสอนใจว่าความสุขแบบเก่านี้เป็นทุกข์นะเพราะมันของที่ได้ของที่เราใช้ให้ความสุขกับเรานี้มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้มันจะต้องจากเราไปมันจะต้องเสื่อมไปมันจะต้องหมดไปหรือมันจะต้องเปลี่ยนไป เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่เราต้องใช้ปัญญาหลังจากที่เรามีความสุขแบบใหม่แล้วเพื่อเราจะได้ไม่หลงกลับไปหาความสุขแบบเก่าอีกต่อไปปัญญามีหน้าที่คอยเตือนคอยสอนเราว่าอยู่กับความสุขแบบใหม่นี้แหละดีแล้วอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ดีกว่าไปหาความสุขแบบเก่าที่จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปรทุกครั้งที่เราเกิดการ ม, มาตัณหาขึ้นมาเราก็จะกลับมานั่งสมาธิแทนมาพุโทโธพุโทโธดีกว่ามาหยุดความอยากดีกว่าไม่ไปทำตามความอยากดีกว่ามาหยุดใจที่สั่นที่เกิดจากความอยากดีกว่าถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดใจที่สั่นได้พอใจหายสัน่นเราก็ไม่ต้องไปทาตามความอยาก ความอยากก็ไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปไม่สามารถมาควบคุมบงังคับให้เราไปทำตามความอยากได้อีกต่อไปแลออกไปความอยากต่างๆก็จะไม่มีความหมายต่อไปพราะมันไม่สามารถทำให้ใจเราสั่นอีกต่อไปได้เพราะเรารู้จักวิธีแก้ความสั่นของใจเวลาเกิดความอยากเราใจสัน่นเราก็พุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็หายสัน่น ต่อไปความอยากก็จะไม่มีอำนาจต่อไปไม่มาลบกวนใจไม่มาดึงใจให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไปใจก็จะอยู่กับความสุขแบบใหม่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบที่ถาวรเนี่ยที่เราเรียกว่านิพพานตอนต้นยังไม่ถาวรเพราะยังมีความอยากมาคอยเขยา่ามาทาให้ใจสั่นอยู่ แต่พอเรากำจัดความอยากต่างๆที่มาทำให้ใจเราสั่นได้หมดด้วยการใช้สติหยุดใจทําให้ใจสงบได้ไม่ไปทำตามความอยากได้ความอยากต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหมดอำนาจไปมันก็จะไม่มีอิทธิพลที่มันจะสร้างความสั่นให้กับใจต่อไปเมื่อไม่มีอะไรมาทำให้ใจสั่นใจก็จะสงบไปตลอดใจที่สงบไปตลอดนี่เราเรียกว่านิพานนี่คือ จุดสุดท้ายของการมาเกิดการมาเกิดเพื่อมาทําใจของเราให้หายสันนั่นเองให้ใจเราสงบตลอดเวลาด้วยการกําจัดความอยากโดยอิทธิพลของความอยากด้วยการไม่ทําตามความอยากทุกครั้งที่ใจสันเพราะความอยากก็หยุดมันด้วยการด้วยสติทําใจให้สงบไม่ใช่ไปหยุดความสันด้วยการไปทําตามความอยาก ถ้าไปทำตามความอยากใจมันก็จะสั่นไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆแต่พอเราทำใจให้หายสั่นด้วยการใช้สติใช้พุโทโธหยุดใจได้หยุดความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือว่านี่คือเหตุเรื่องว่าเรามาเกิดทาไมกัน เรามาเกิดเพื่อมาหยุดการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดไม่ดีการเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเราจึงมาหยุดการเกิดด้วยการมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันดังนั้นถ้าใครถามว่ามาเกิดทําไมก็มาเกิดเพื่อมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพราะการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทําทให้เราได้มีความสุขในรูปแบบใหม่ ความสุขที่ไม่ต้องพาให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงมีประโยชน์อย่างนี้คือจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ยินได้ฟังซ้าอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะกําจัดความสงสัยต่างๆได้เช่น ว, ว่ามาเกิดได้อย่างไรมาเกิดเพื่ออะไร ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเรามาเกิดเพราะความอยากเพราะกิเลสตัณหาเรามาเกิดเพื่ออะไรเรามาเกิดเพื่อหยุดกิเลสตัณหานี่เเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหรือว่าการมาเกิดนี้มาเกิดเพื่อมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ไม่ใช่มาเกิดเพื่อมาหาราบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเมื่อเราไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็จะสงบมีความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของอนิสงค์ของการฟังธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอย่งที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรมธรมะสวนัง เอตํมมังกาลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งจึงขอฝากให้ท่านได้นําเอาเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนี้ไปพินิพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรกวะหาปุราปะเรปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสักปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ ภราสุยทาสพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวอภิวาทานสีฤทธะนิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนโอสุขัง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 แล้วแต่วันนี้ทางบ้านมีเข้ามาเท่าไหร่ทาง YouTube มีเจ็ดสิบทางเ c e b ุ๊ k มีสามร้อยเจ็ดสิบค่ะอ่าตอนนี้มีคุณโยมอยากะถามอะไรหรือเปล่าส่งไมโครโฟนไปให้คุณโยมก่อนอพูดใกล้ๆปากหน่อยนะจะได้เสียงดัง ที่ปฏิบัติมาการเห็นที่ว่ า, าจากปริยัติที่ว่ากายกับใจไม่ใช่ของไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะที่สภาวะธรรมที่เห็นชัดคือเรื่องกายแต่เรื่องใจยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็อยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ว่าการที่จะเห็นสภาวะว่าใจไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยค่แต่ต้อง เ, อเพิ่มความเพียรด้านไหนให้มากขึ้นคือใจนี่มันมันไม่ได้ มันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าว่าเป็นตัวเราของเราใจมันเป็นตัวรู้เราจะรู้ใจได้ก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะแยกออกจากร่างกายก็จะรู้ว่าใจเป็นตัวรู้ร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นคนละตัวกันร่างกายไม่เที่ยงแต่ใจนิเที่ยง ใจไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายใจเป็นผู้ที่มาได้ร่างกายแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าไม่อยากจะให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจหยุดความโลภหยุดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากถ้าหยุดความอยากได้หยุดกิเลสตัณหาได้ก็ไม่ต้อง ไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือต้องการให้รู้แค่นี้ส่วนเรื่องเรื่องใจเป็นตัวเราไม่ใช่ของเรานี้ไม่ใช่ม่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราคือร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องไปศึกษาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพราะมันเป็นตัวเราของเราใจนี่เราเป็นเราเราเป็นมเรามาจากร่างกายเราเรามาจากใจ แล้วเราก็มาใช้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทําตามความอยากของใจถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายเราก็ต้องหยุดความอยากของใจเพราะหยุดความอยากดูลูปฟังเสียงเราก็ไม่ต้องมีตาหูจะโบกลิ่นกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมีทางนี้จะถามปัญหายิ่งมั้่วยช่วยส่งไปหน่อย ครับพระอาจารย์ผมขอเพิ่มเติมจากพู้อ า, ารย์สั่งสอนผมเมื่อกี้คืออาจารย์ให้ดับความอยากของกิเลสและตัณห า, าด้วยพุทโธไม่จิตวันไหวเนี่ยคือผมถามสองข้อครับต้องใช้ระยะเวลายาวนานสักเท่าไหร่ครับก็ อ, อยู่ที่ว่ากิเลสมันดื้อมากดื้่น้อย ดื้อมากก็นานหน่อยถ้าดื้อน้อยก็เร็วหน่อยกิเลสบางตัวมันก็ไม่ถ้อยดื้อกิเลสบางตัวมันก็ดื้อแมันจะชะยาวนานไม่สำคัญมันยังดื้ออยู่แล้วก็ต้องฆ่ามันให้ได้หยุดความดื้อกัมันให้ได้ใช้สติปัญญาก็รู้ว่ามันทาตามความอยากไม่ได้ทาตามความอยากนี่เป็นทุกข์เรียกว่าปัญญาเมื่อรู้แล้วแต่มันยังอยากอยู่ ยังไม่ยอมหยุดก็ต้องใช้สติหยุดมันใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากจะกินเหล้าก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากจะไปนอนกับแฟนก็ไปนั่งสมาธิแทนต่อไปความอยากไปกินเหล้าอยากไปนอนกับแฟนมันก็หมดกําลังไปถ้าเราไม่ทําตามมันคือกกหนึ่งเนี่ผมใช้สติและปัญญาในการดับ <c oughs> อ่ากกสองเนี่ยทายัง หายดับกิเลสไปได้ยังมีความอยากอยู่ก็คือเข้าไปหาที่สงบสงัดเข้าไปพุโทโธพุโทโธใช่ไหมครับพราพุทโธพุทโธความอยากมันก็จะหายไปความทุกข์ความสั่นของใจก็จะหายไปเราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากได้ได้นานแค่ไหนจ น, จนสังขารตายจากไปจนกว่ามันความอยากมันมันรู้ว่ามันไม่สามารถสั่งเราได้มันก็จะไม่มาสั่งเราอีกต่อไป คือจิตเราเป็นผู้รู้ว่าดับได้ไม่ได้เรู้อยู่ในใจว่าตอนนี้ความอยากอยากเดินกาแฟมันไม่มีแล้วครับสาธุผมเข้าใจกระจ่างขึ้นแล้วครับอยากนอนกาแฟไม่มีแล้วอยากกินเหล้าไม่มีแล้วมีก็ไม่สั่นเวลามันอยากมีก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทำตามมันละ ม, มันจะรู้ว่ามันจะรู้ว่ามันไ ม, ใ ม, นไม่ใจมันไม่สัน่นใจมันไม่สั่นละใจมันเฉยแล้วถ้ายังไม่เฉยก็แสดงว่ายังยังสั่นอยู่อพออยากให้กินกาแฟใจสั่นขึ้นมาไม่ได้กินแล้วจะตายกินก็ได้ไม่กินก็ได้ต้องเฉยเฉยมีใครอยากระถางไว้แถวนี้เอาทางบ้านต่อ คำถามจากทางอินบ็อกจากคุณสัจจโพน์นะคะผมตามดูอารมณ์ในจิตที่เกิดขึ้นตามสภาวะต่างๆเมื่อตามดูอารมณ์ในจิตอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะหยุดลงช่วงที่สติเห็นอารมณ์ต่างๆนั้นดับลงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการปรุงแต่งหรือมันคือสภาพธรรมชาติของจิตครับอารมณ์ของจิตมันก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อย ก็รู้ทันมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้แล้วทารู้รู้เฉยเฉยรู้แล้วมันต้องต้องไม่ไปมีความอยากกับอารมณ์ต่างๆอยากกินก็ไม่ก็ไม่กินอยากดูก็ไม่ดูมันจะอยากก็ปล่อยมันอยากไปเราอย่าไปทำตามความอยากของมันต่อไปอารมณ์ของความอยากเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดคำถามจากเฟ e b o o k จากคุณวิริทพล ถ้าเราเคยทำร้ายพ่อแม่แล้วเราขอขมาท่านเอาโหสิกรรมให้เรายังมีโอกาสนิพพานในชาติปัจจุบันได้ไหมครับต้องวางใจอย่างไรครับ อ, อ๋อก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ได้เต็มที่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาอย่างองคุลิมาลเก้าคนมาต้องเก้า้อยเก้าสิบเก้าคนก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรมาในอดีตได้แรงขนาดไหน ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็เข้าสู่พระนิพพานได้คำถามจากคุณอรุณศรีการที่เราช่วยญาติได้ไม่เต็มที่เราจะบาปไหมคะออไม่บาปหรอกเราก็เพีงแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเองการช่วยหลือพูนก็เป็นการทำบุญถ้าทำมากช่วยมากก็ได้บุญมากช่วยน้อยก็ได้บุญน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่ได้บาปคำถามจากคุณพิมขอความก ร, รุณาพระอาจารย์แนะนาเรื่อง การปล่อยวางขันห้าด้วยเจ้าค่ะก็ร่างกายก็ปล่อยมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันรักษาได้ก็รักษาไม่ได้ห้ามกินได้ก็กินไปอแต่ถ้ามันรักษาไม่ได้มันจะมันจะมันจะไม่สบายไปเรื่อยๆก็ต้องให้มันไม่สบายไปเรื่อยๆมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอคําถามจากคุณประหยัด ในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้นั้นเปรียบเทียบกับใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่ท่านนํามาสอนเปรียบเทียบกับใบไม้เพียงกำมือเดียวใบไม้กํามือเดียวที่ท่านว่านั้นคือทานศีลภาวนา น, นี้เท่านั้นใช่ไหมคะอ่านั่นแหละก็สิ่งที่ท่านสอนในพระไตรปิฎกนะเหมือนกันใบไม้ในกํามือ สิ่งที่เราท่านไม่ได้สอนไม่ได้บอกเรานะั่นอ่ะเป็นใบไม้ในป่าใหญ่เพราะท่านรู้ว่าบอกพวกเราพวกเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ก็เลยไม่ให้เสียเวลากับการที่จะมาสอนพวกอาจินไตต่างๆแกพวกเราคำถามจากคุณขวัญลื่นผมนั่งสมาธิเกิดเวทนาปวดขาแต่นั่งต่อไปรู้สึกตัวมีสติ จนหายปวดแต่จิตยังไม่สงบรู้ตัวครับผ่านมาเกินหนึ่งชั่วโมงวันต่อมาเป็นเช่นนี้อีกกราบทียนถามพระอาจารย์ว่าวันนี้และต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรครับก็ถ้าเราอยู่กับความเจ็บได้ก็ใช่ได้ฝึกไปเรื่อยๆให้เราไม่กลัวความเจ็บเวลาเจ็บเราก็เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนกับมันไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณเนโก้ลูกรบกวนสอบถามการเดินจงกรมตอนกําหนดยืนหนอคือต้องกําหนดลมหายใจอย่างไรคะและตอนนั่งสมาธิการกําหนดยุบหนอพองหนอดูที่ท้องลูกดูไม่เห็นท้องยุบแต่ถ้าดูที่ลมหายใจแทนได้ไหมเจ้าคะเวลาเดินจงกรมนี้ไม่ต้องดูลมให้ดูร่างกายดูเท้าแทนดูการก้าวของเท้าไป ซ้ายขวาซ้ายขวาไปมันชัดกว่ามันง่ายกว่าไปดูลมเวลานั่งก็ให้ดูลมจะดูที่ท้องก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่ท้องก็ยุบหนอ่อพองหน่ยมเข้าลมเข้าท้องก็พองขึ้นมาลมออกก็ยุบลงไปถ้าดูที่ปลายจมูกก็รู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกเท่านั้นให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับลมคําถามจากคุณวีละวนัน เมื่อก่อนเคยทำบุญกับแม่ชีท่านหนึ่งโดยที่ไม่คิดอะไรแต่ว่าทำบุญแล้วเขาก็สอนดีมากแต่ก็มีพระท่านมาบอกว่าให้หยุดแล้วให้ออกมาไม่ใช่ทางของเราตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกจนไม่กี่วันนี้พี่ที่เคยไปหาแม่ชีคนนั้นก็มาบอกตอนนี้แม่ชีสึกแล้วนะก็ยังอึง้งแล้วบุญที่เราทำไปผิดไหมคะ อ๋อบุญที่ทำใบหมายถึงบุญอะไรละ่ะบุญที่ทํากับแม่ชีอะค่ะอ๋อที่เงินเท่าให้แม่ชี<ฆ>มันก็เป็นบุญจะให้แม่ชีหรือไม่ไม่เป็นแม่ชีก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นทานทานนี้จะให้ไขกไ่ก็ได้ให้พระก็ได้ให้โยมก็ได้ให้หมาก็ได้ให้แมวก็ได้ก็เป็นทานเหมือนกันคําถามจากคุณหมื่นหมื่นผมเห็นวัตถุมงคลอยู่ข้างหลัง ให้บูชาใหม่ครับเห็นที่ไหนน่าจะอยู่ด้านหลังตัวค่ะอ๋อนี่ครับเพื่อมาถวายก็พระพุทธรูปก็มีไว้สำหรับให้เราระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณถ้าที่ไหนที่นี่เวลาใครให้พวกพระพุทธรูปมาถ้าเรามีพอแล้วเราก็เอาไปทำบุญต่อ ที่ไหนไม่มีที่ไหนต้องการก็ให้เขาไปตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะขนย้ายคําถามเจ้าคุณธานนรงค์ปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายว่าการบวาพระโสดาบันเห็นส่วนท่อนต้นเพราะอารหันเห็นจริงไหมคะไม่จริงหรอเห็นต้องเห็นทั้งทั้งทั้งตลอดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันหรือพระอรหรันต์ เห็นเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเ อ, เอ่อเชือกเส้นเดียวเนี่ยเห็นต้นมันก็ต้องเห็นปลายคำถามจากคุณปาหาันเพื่อนดิฉันเป็นคนชาวาศาสนาซิกเป็นชาวซิกทั้งครอบครัวแต่เพื่อนดิฉันชอบไปวัดพุทธชอบฟังธรรมะของาศาสนาพุทธแต่พ่อเคยบอกไว้ว่าให้นับถือาศาสนาของเรา แม่ก็บอกว่าลูกอย่าเหยียบเรือสองแคมตอนนี้เพื่อเริ่มสับสนว่าตกลงเราจะนับถือศาสนาอะไรดีลดกวนสอบผามผ้ า, าจารย์ให้ด้วยเจ้าค่ะก็เราก็ต้องพิจารณาดูว่าศาสนาไหนอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่าเราก็เลือกเอาอันนั้นเหมือนซื้อรถเนะี่ยเราก็ไปเลือกดูรถคันไหนมันดีกว่าไปซื้อรถที่ไม่ดีทําไมถ้าเราไปเลือกรถรถที่ดีกว่า ศา ส, สนาก็เป็นเหมือนรถที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต เ, ออเราก็ต้องศึกษาระหว่างศาสนาต่างๆดูว่าศาสนาไหนเป็นศาสนาที่ดีกว่ากัน เ, ออเราก็เลือกเอาศาสนานั้นหรือถ้าเราไม่สามารถจะพิจารณาว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเราก็เลือกเอาอันไหนที่มันเหมาะกับเราก็แล้วกันออถ้าเราเหมาะกับซิกเรก็นับถือซิกไปถ้ามัน ถ้าพุทธศาสนาเหมาะกับเราเราก็เอาพุทธศาสนาไปเหมือนกับเราเลือกแฟนน่ยเราเลือกคนนี้อีกคนนี้เราก็เปรียบเทียบดูว่าคนไหนมันเหมาะกับเราเราก็เอาคนที่เหมาะกับเราอย่าไปเอาคนที่ไม่เหมาะกับเราเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันเอากับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วรักกันมีความสุขดีกว่าศาสนาก็เหมือนกันอันไหนก็ได้แล้วแต่เพราะ คนเรานั้นมีความสามารถที่จะรับรู้ความสามารถของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เท่ากันงั้นก็ต้องเลือกไปตามตามความเหมาะสมของผู้ผู้เลือกเอาก็แล้วกันคำสามจากคุณวันสุพี่สาวของหนูเขาชอบอ่านคำสอนของผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองบรรลุธรรมและเขียนหนังสือออกมาขายหนูอ่านแล้วรู้สึก ว่าหลายอย่างไม่ตรงกับแนวทางของมรกปดเหมือนที่พระอาจารย์สอนหนูสามารถบอกห้ามพี่สาวหยุดอ่านได้ไหมคะและจะมีวิธีบอกอย่างไรเพราะเกรงใจว่าเขาจะหลงทางค่ะก็ถ้าเขาไม่มาถามเราเราก็ไม่รู้จะไปบอกเขาได้ยังไงถ้าเขาคิดว่าเขาเขาทำถูกเขาก็ไม่มาถามเรา แต่ถ้าเขาไม่มั่นใจเราก็บอกเขาได้หรือจะลองบอกเขาก็ได้นี่อยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองบอกได้แต่เราอย่าไปเสียใจเรืออย่าไปโกรธเขาถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราเราอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเขาเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็ได้บอกทางที่ถูกให้เขาแล้วแต่ถ้าเขายังเชื่อว่าทางที่เขาไปนั้นเป็นทางที่ถูกอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาไป ไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเสียใจอย่างน้อยเราก็ได้ทาหน้าที่ของเราคำถามจากคุณภาวินีศีล ส, สมาธิปัญญาคือที่สุดของการหลุดพ้นใช่หรือไม่เจ้าคะโยมจะได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วเดินตามทางของพระพุทธองค์เจ้าคะ่ะคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางสู่ไปสู่ไปไปสู่ที่สิ้นสุดของการ เวียนไหวาตายเกิดคือการหลุดพ้นศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นตัวหลุดพ้นเป็นเครื่องมือเป็นทางเป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถ้าเราไม่มีรถยนต์เราก็จะไม่สามารถไปได้เราก็เลยต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาคำถามจะคุณเนโกะถ้าเราทำกรรมฐาน ถึงขั้นสามารถแก้กรรมที่เราเคยทำมาได้ไหมคะ อ, อ๋อกรรมเก่าแก้ไม่ได้ละกรรมใหม่แก้ได้คือไม่ทำกรรมใหม่พระอรหันต์นี้จะไม่สร้างกรรมใหม่น่าจะไม่กลับมาเกิดใหม่ดังนั้นกรรมเก่าที่จะเกิดกับท่านก็เกิดได้เฉพาะชาติสุดท้ายของท่านพอท่านตายไปแล้วท่านก็จะกรรมไม่กลับมาเกิดใหม่ เมื่อไม่กลัมมาเกิดใหม่กรรมเก่าที่ได้ทำไว้ก็จะไม่สามารถที่จะมาส่งผลให้กับท่านได้อีกต่อไปตอนนี้คำถามหมดค่ะหลวงพ่อดีคำถามน้อยพักผ่อนอ เ, เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวจะเยน็นนั่งสมาธิไปกันก่อนก็ได้เดี๋ยวขอพักดื่มน้ำหน่อย เรื่องของคนอื่นเนะี่ยบางทีเราก็มีความปรารถนาดีแต่บางทีความปรารถนาเดียวกลายเป็นความประสงค์ร้ายไปก็ได้คือไปสร้างความลำคาญให้กับเขาพยายามที่จะไปยุไปหย่าไปห้ามไปอะไรทั้งๆที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราอันนี้ก็ไม่ควรจะทำถ้าเราไปสร้างความลำคาญให้กับผู้อื่นแล้วต่อให้เราปรารถนาดีอย่างไรก็อย่าไปทำ พรมันกลายเป็นความประสงค์ร้ายไปอยั้นพยายามปาถนาดีโดยที่ไม่ประสงค์ร้ายก็ อ, อย่าไปสร้างความลำคาญอย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนที่เราปราถนาดีบอกเขาแล้วก็จบเพราะทอย่างนี้ไม่ถูกนะนายพระตายปิดกท่านว่าอย่างนี้นี่เขาว่าอย่างนั้นไปขอรทางกันนะบอกแล้วก็จบ เขาจะฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องไปไปคอยเคี่ยวเข็นบังคับเข า, เาแล้วพอไปเคี่ยวเข็นบังคับเขาเขาไม่ทำตามก็เลยโกรธเขาแทนที่จะเมตตา ก, ก็กลายเป็นความโกรธไปกลายเป็นความเปลียดไป เ, เพราะกิเลสของเรามันเข้ามาครอบงำมันไม่ได้ทำด้วยใจที่มีความเมตตาจริงทำด้วยกิเลสความอยากที่จะไป สั่งให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําอย่างตามตามที่เราอยากก็โกรธขึ้นมาแทนที่จะรักกันก็เลยกลายเป็นการเกลียดกันไปอันนี้คือเรื่องของความประสง์ปัถนาดีแต่ประสงค์ร้ายถ้าปรตนาดีและประสงค์ดีก็คือบอกเขาแล้วก็จบเขาจะทําตามไม่ทําตามก็เรื่องของเขาเราบอกเขาแล้ว ถ้าเขาอยากจะมาทางนี้เขาอยากจะให้เราพาไปหาพระหาอาจารย์ที่สอนทางที่ถูกเราก็ยินดีพาเขาไปออานวยความสะดวกให้ความสุขกับเขาอย่าไปให้ความทุกข์กับเขาด้วยการไปเที่ยวเข็นบังครับเนีย่ยเคยมีกรณีแม่ชีคนหนึ่งก็ไปศึกษากับแม่ชีคนหนึ่งแล้วแม่ชีคนนี้ก็สอนว่าทางวิธีบรรลุถึงพระนิพพาน ถ้าใครไปเรียนกับแกจะได้บรรลุไอ้ฉีคนนี้ก็มาชวนเพื่อนไปชวนยังไงเพื่อนก็ไม่ไปก็โกรธเพื่อนเลยไม่ติดต่อเหมือนกันเลิกคบค้าสมาคมกันไปเนี่ยนี่คือความความปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าเราคิดว่า คนที่เราไปศึกษานี้เขาเก่งเขาทำให้เราหลุดพ้นได้เราก็บอกได้บอกเพื่อนว่าเนคนนี้เก่งนะอย่างนั้นอย่างนี้นะไปลองไปศึกษากับเขาดูสิบอกเขาแค่นี้ก็พอจบเขาไปก็ดีสาธุเขาไม่ไปก็ดีสาธุอย่างนี้ก็ยังจะรักษาความเป็นมิตรภาพกันได้อยู่ไม่โกรธไม่เกลียดกันแต่คนเหล่านี้มักจะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเอง พาคนอื่นไม่คิดเห็นตามที่ตนคิดก็โกรธก็ละอเสียใจอันนี้เป็นกิเล ส, นนเ ก, เลสนนก็ให้ระมัดระวังเวลาที่เรามีความปรารถนาดีอย่าให้มันกลายเป็นความประสงร้ายไปจากการกระทาของเราที่มันเลยเถิดไปมีคำถามใหม่เข้ามาไหมมีแล้คะ่ะคำถามจากทาง y u ูทูบจากคุณแหวว เวนกรรมมีจริงไหมคะเอาเวนก็คือการจองเวนมีจริงไหมลองไปตีหัวคนอื่นดูเลยดีแล้วเขาจองเวนเราหรือเปล่าเอาเอกรรมก็คือผลของการกระทําบาปต่างๆเรียกว่ากรรมวิบากกรรมไปขโมยแล้วไปติดคุกติดตารางหรือเปล่าเอาอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องตอบแนละ้วต้องพูดอย่างนี้ คำถามจากคุณพีโกจากข้อความแม้จะได้อุปสมบท์เป็นอุปสมบทเป็นภิกษุ ร, รักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศล น, น้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น ขอวิธีทําสมาธิให้จิตสงบชั่วขณะครับก็ให้มันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเช่นเวลาอาบน้ําก็พุโทโธพุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปพอมีเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรก็นั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธไป ทำองนี้เดี๋ยวก็ได้เจอก่กระพือปีกนี่คำถามจากคุณประหยัดทานศีลภาวนาสัมพันธ์กับศีลสมาธิปัญญาอย่างไรครับก็คือศีลศีลศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือศีลกับภาวนานั่นเองสมาธิปัญญานี้เป็นส่วนประกอบของการภาวนา ทานศีลภาวนาก็มีทานเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญาที่ต้องทำทานก็สำหรับคนที่ยังมีเงินอยู่คนที่ยังเอาเงินไปเที่ยวอยู่เนี่ยต้องเอามาทำทานแต่คนที่ไม่มีเงินไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องทำทานเข้าใจไ้มอย่างพระนักบวชเนี่ยพวกแม่ชีนักบวชทั้งหลายเขาไม่มีเงินไปเที่ยว ถ้าเขามีเงินเขาก็ต้องเอาเงินนัเก็บไว้สําหรับเลี้ยงดูปากท้องของเขาก็ไม่ต้องทําทานแต่พวกที่ยังมีเงินไปเที่ยวอยู่เนี่ยต้องเอาเงินที่ไปเที่ยวเนี่ยมาทําทานพวกที่ยามเงินไปซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้อเสื้อผ้อาที่มีอยู่เต็มตู้แล้วเนี่ยต้องออกมาทําทานแทนเพราะว่ามันเป็นกิเลสไม่ต้องให้ทําแล้วมันติดแล้วมันจะต้องทําอยู่เรื่อยๆ เราจะต้องทำให้ต้องไปหาเงินหาทองมาแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเราเลิกใช้เงินทองในแบบนี้พอเราไม่มีเงินเหลือที่จะไปทำทานเราก็หยุดทำทานได้แล้วเราก็ไปปฏิบัติสิน้นสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มรูปแบบคำถามจากคุณเลดี้ภูถ้าเราตายไปแล้วเราจะสามารถเจอแม่ เจอญาติพี่น้องเราที่ตายไปก่อนได้ไหมคะก็ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าจังหวะมันจะเจอกันก็เจอกันได้แต่จะจับกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คำถามจากคุณเนโก้หนูเคยไปใส่บาตรที่วัดป่ามีภิกษุนีไปใส่บาตรแต่หลวงปู่ท่านพูดว่าเอาผ้าเรืองพระมาใส่บาทนะ ตอนนี้ผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะก็ตามหลักของสายเทระวา่านี่สายเทระวา่าในการบวชภิกษุณีนี้มันหมดไปแล้วไม่มีภิกษุณีที่จะมาเป็นผู้บวชให้กับผู้อื่นได้แล้วการจะบวชภิกษุณีต้องมีภิกษุณีอยู่ถึงจะบวชภิกษุณีได้เหมือนกับบวชพระจนเมื่อต่อไปไม่มีภิกษุแล้ว อยู่ๆใครอยากจะมาเป็นพระมาบวชเองไม่ได้นะเพราะไม่มีใครบวชให้ต้องมีคนบวชให้คนที่บวชภิกษุคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าบวชก็มีภิกษุปรากฏขึ้นมาต่อมามีคนอยากจะบวชก็อาศัยภิกษุมาเป็นผู้บวชให้ก็บวชกันมาเป็นทอดๆต่อมาก็มีคนขอบวชเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็บวชให้บวชให้เป็นภิกษุณี พอมีภิกษุณีแล้วภิกษุณีก็บวชให้คนอื่นได้แต่ตอนนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วนี่หายไปหมดแล้วสําหรับสายเทรวาสนะ์เนี่ยสายพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้ า, าสเสด็จนิพพานแล้วนี่ได้แบ่งเป็นสองสายสายมหายานกับสายเทรวาสนนะ์เขาว่าทางสายมหายานเขาว่าภิกษุณีเขายังไม่หมดเพราะฉนั้นะคนที่อยากจะเป็นภิกษุณีก็เลยไปบวชกับสายมหายาน นี่มหายานกับเทรวาวก็เหมือนกับฐานบกกับฐานเรือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันมันลงเรือกับขับรถถังมันไปคนละที่กันแต่เรวราวเราก็เลยไม่สามารถที่จะรับรั บ, รบภิกษุณีจากมหายานได้ภิกษุณีจากมหายานเขาก็ต้องไปอยู่วัดของมหายานไปจะมาอยู่วัดของมหาของเทรวาวไม่ได้ อยู่ได้แต่เราก็ไม่ถือว่าเขาเป็นภิกษุณีเราก็ถือว่าเขาเป็นอุบาสิกาไปคำถามจากคุณมูซาชิวิธีพึงกำหนดใจให้อยู่ที่ใจคืออย่างไรคะก็ให้ใช้สติใช้พุโทโธเนี่ย ด, ดึงใจให้กลับมาที่ใจบริกรรมพุโทโธพุธโทโธใจก็จะไปไปอยู่ที่ขนมไม่ได้อยู่ที่กาแฟไม่ได้อยู่ที่แฟนไม่ได้มันก็จะกลับมาอยู่ที่ใจ เราต้องใช้พุโทโธดึงใจกลับมาให้อยู่ที่ใจตอนนี้ใจถูกกิเลสดึงให้ไปอยู่ที่กาแฟอยู่ที่ขนมอยู่ที่ภาพยนตร์อยู่ที่ดนตรีอยู่ที่แฟนอยู่ที่เงินมันไปทั่วไปหมดเราเลยต้องใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามาถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธต่อไปใจก็จะกลับมาอยู่ที่ใจมาอยู่ที่ผู้รู้สับแต่ว่ารู้คําถามจากคุณวิไล สามีลูกเขาบอกว่าเวลาเล่นเกมเขาจะใจเป็นสมาธิดีขนาดเล่นเล่นเกมใจเป็นสมาธิได้จริงหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่ใช่สมาธิที่เราพูดถึงสมาธิที่เราต้องการในการปฏิบัตินี้มันต้องนิ่งสงบไม่คิดปุงแต่งไม่รับรู้อะไรเนือแต่ผู้รู้คือใจอยู่เฉยๆนิ่งสงบมีความสุขไอสมาธิแบบนั้นเราไม่เรียกว่าสมาธิก็เรียกว่าสติ สติอยู่กับการเล่นเกมแต่สติแบบนั้นก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสติมันไม่ได้นําไปสู่สัมมาสมาธิคือความสงบอย่งนั้นเป็นคนละสติคนละเรื่องสมาธิคนละเรื่องกันอันนั้นสมาธิเพื่อเพื่อกิเลสสติเพื่อกิเลสแต่ของพระพุทธเจ้านี้เป็นสมาธิของเป็นสติเพื่อฆ่ากิเลสนันต่างกันตรงนั้นเป็นคนละฝ่ายกัน ถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิกับเป็นสัมมาสมาธิคําถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณสารหอมจะยกจิตให้พ้นจากคนผ่านอย่างไรได้ครับอ๋อก็ต้องปล่อยคนผ่านให้เขาผ่านไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขายอมหยุดเย็นเขาจะผ่านก็ปล่อยเขาผ่านไปเรายอมแพ้เราอย่าไปต่อสู้กับเขาเราหยุดต่อสู้ใจเราก็เย็น